ข้อความในปิงคียะมานวะกะปัญหาในเทศที่16 น, นนะเป็นปัญหาของมนุษย์ท่านสุดท้ายท่านปิงคียะทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์นี้เป็นคนแก่มีกำลังน้อยปราศจากผิวพรรณหน้าตาไม่แจ่มใสหูฟังไม่สะดวกข้าพระองค์อย่าเป็นคนลงเสียในระหว่างเลยขอพระองค์โปรดบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้ง อันเป็นที่ละชาติและชราณที่นี้เธ อ, อยังไงก็คนแก่นะบอกว่าข่าพระองค์นี้เป็นคนแก่มีกําลังน้อยปราศจากผิวพันธุ์ก็คือข่าพระองค์เป็นคนแก่เป็นคนเท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไวัยไปโดยลําดับมีอายุร้อยยี่สิบปีแต่กําเนิดเนี่ยนะ อ, อายุมากมีกําลังน้อยก็คือทุรพลมีกําลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อย <c oughs> ปราศจากผิวพรรณก็คือมีผิวพรรณปราดไปผิวพรรณอันงามผ่องเมื่อวัยต้นหายไปแลว้วมีโทษปรากฏเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นคนแก่มีกําลังน้อยปราศจากผิวพรรณก็ไม่สวยเหมือนเดิมแล้วนะในตาก็ไม่แจ่มใสหูก็ฟังไม่สะดวกความว่าตาไม่แจ่มใสตาไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องแผ้ว เมื่อข่าพระองค์เห็นรูปไม่ชัดด้วยในตาเช่นนั้นเรียกว่าตาไม่แจ่มใสตอนนี้ตามันก็เหมือนตาคนแก่นะมองใครเห็นแล้วหูก็ฟังไม่สะดวกคือหูไม่แจ่มใสไม่หมดจดไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องแผ้วข่าพระองค์ฟังเสียงไม่ชัดด้วยหูนั้นข่าพระองค์อย่าเป็นคนหลงเสียในระหว่างเลยเนี่ยนะอย่าปล่อยให้โง่เขลาอยู่ในระหว่างเลยแังนั้นคืออย่าได้พินาศเสียหายไปในระหว่างเลย คำว่าเป็นคนหลงก็คือคนไม่รู้เป็นไปแล้วในอวิชชาไม่มีญาณไม่มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาซามคำว่าในระหว่างความว่าข้าพระองค์ไม่รู้ไม่ทําให้แจ้งไม่ทําให้ปรากฏไม่ได้เฉพาะไม่ถูกต้องไม่ทําให้กระจ่างแลว้วซึ่งธรรมะทิฏฐิปฏิปทามมักของพระองค์พึงทํากาละเสียในระหว่างแท้เพราะฉะนั้นขอให้ข้าพระองค์อย่าได้เป็นคนหลงเสียในระหว่างเลยเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นคนมืดคนบอดในระหว่างเลย ขอโปรดตรัส บ, บอกธรรมะคือขอพระองค์จงประกาศซึ่งพรหมจันท ร, ร์อันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขอให้พระองค์โปรดตรัส บ, บอกสติประธานสมบัตประธานอิทิบาทตินรียพละโพชงอริยมรรคมีองค์8นิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน ขอให้พระองค์ตัดบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งคือพึงรู้พึงรู้แจ้งรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดบรรลุแล้วถูกต้องบรรลุได้ถูกต้องทําให้แจ้ ง, งธรรมะนั้นต้องเป็นที่ละชาติและชาลในที่นี้คือเป็นที่ละเป็นที่สงบที่สละคืนที่ระงับชาติชารามรณะดะงนั้นก็ขอให้เป็นอมะตะนิพพานณที่นี้ขอให้บรรลุที่นี่แหละนะครับ สรุปว่าข้าพระองค์เป็นคนแก่อายุร้อยยีปีมีกำลังน้อยผิวพรรณก็หมดสวยเหาือ น, นันตาก็ไม่แจ่มใสหูก็ฟังไม่สะดวกบ้านข้าพระองค์ก็อย่าเป็นคนหลงอย่าเป็นคนเคลาเสียในระหว่างเลยขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งอันเป็นที่ละชาติและชาราณะที่นี้เถิดนะขอให้พระองค์ตรับโปรดตรัสบอกอริยสัจบรรลุนิพพานพ้นเกิดพ้นแก่ที่นี้แล้วเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนปิงคียะชนทั้งหลายผู้มัวเมาย่อมเดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายเพราะชนทั้งหลายลำบากอยู่ในเพราะรูปทั้งหลายดูก่อนปิงคียะเพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปนะบอกตรงตรงนะท่านเนี่ยเดือดร้อนเพราะรูปแหละมันลำบากก็เพราะเมาในรูปนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ละรูปซะตัดชั้นทราคาในรูปซะจะได้ไม่เกิดอีก คำว่ารูปรูปก็เป็นชื่อของภูตรูปสี่และรูปอันอาศัยมหาภูตรูปสี่สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมเดือดร้อนลำบากถูกเขาเบียดเบียนถูกเขาฆ่าเพราะเหตุแห่งรูปเพราะปัจจัยแห่งรูปเพราะกัณะแห่งรูปเมื่อรูปมีอยู่พระราชาทั้งหลายก็ย่อมสั่งให้ทํากรรมกรร้ายอย่างให้เขียนโดยแท้บ้างเขียนโดยวายบ้างเพราะมีรูปนะเขาลงโทษก็ลงที่รูปนี่แหละไม่ได้ไปลงที่ต้นไม้ใบหญ้านี เพืนให้ตอกขาบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าตัดหูตัดจมูกตัดทั้งหูตัดทั้งจมูกให้หมอกมีหม้ อ, มมอข้าวเดือดบนศีรษะก็คือเปิดกระโหลกแล้วก็ใส่ก้อนเหล็กแดงๆลงไปในมันสมองให้มันทะลักออกมาถลกหนังศีษะให้โลนแล้วก็คัดในเข้าเหมือนสีสังหรือว่าทําหน้าปากราหูานะเผาทั้งตัวบ้างจุดให้ไฟลุกที่มือบ้างถะลกหนังแล้วก็ผูกเชือกฉุดไปมาบ้าง ถลกหนังให้นุ่งเหมือนหนังคากรองบ้า ง, างน่นะใส่ห่วงเหล็กที่ข้อศอกเขา่าแล้วก็ใส่เหลาเหล็กตรึงไว้บ้างเอาเบ็ดเกี่ยวที่เนื้อปากบ้างถากด้วยพราให้ตกไปทีละชิ้นทีละชิ้นบ้างเอาตัวเนี่ยนะถูกถากแล้วก็ลาดด้วยน้ำแสบหรือบางทีก็ให้ใช้แปรงแสบเนี่ยขัดอย่างนั้นอนะ่ะ หรือตะแคงข้างแล้วก็ตอกลวเหล็กเอาไว้ในช่องหูถลกนังแล้วก็ทูบกระดูกพันเอาไว้เหมือนต่างใบไม้บ้างรถตัวด้วยน้ามันอันร้อนน้ามันเดือดบ้างให้สุนัข ก, กัดกินเนื้อที่บ้างเอาหลาเสียบไว้บ้างตัดศีรษะบ้างเพราะมีรูปนะเขาจึงลงโทษ ด, ด้วยประการต่างๆการประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเป็นโรคภัยต่างๆที่มีมีอยู่ทุกวันเพราะมีรูปนั่นแหละ สัตว์ทั้งหลายย่อมเดือดร้อนลำบากเพราะเขาถูกเขาเบียดเบียนถูกเขาฆ่าเพราะเหตุปัจจัยกระนาแห่งรูปอย่างนี้เพราะพบเห็นพิจารณาเทียบเคียงให้เจริญให้กระจ่างซึ่งชนผู้เดือดร้อนลำบากอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเห็นชนทั้งหลายผู้ลำบากอยู่เพราะรูปทั้งหลายเขาเดือดร้อนกันเรื่องรูปทั้งนั้นเลยนะมีรูปเนี่ยลำบากมีโรงพยาบาลทั้งหลายก็เพื่อรักษารูปนี่แหละนะคนไข้ก็คือคนที่รูปมีปัญหานี่แหละไปรักษารูปแล้ว มันคำว่ารูปปันติคือคําว่าเดือดร้อนกําเริบลําบากถูกเบียดเบียนถูกฆ่าเสียวเออนะวาเสียวถึงโทษเดือดร้อนลําบากถูกเบียดเบียนถูกฆ่าถูกโทมนัสพระโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคปวดหัวโรคปวดคอโรคทักษสารพัดโรคที่มันลงในร่างกายเนี่ยนะไม่กระทั่งความผิวสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสาดเสื้อ้วยคลานทั้งหลายมันก็เดือดร้อนในเรื่องรูปเนี่ยนะเจ็บป่วยทํามาหากินลําบากทุกร้อนกับเรื่องรูปนี่แหละ อีกอย่างหนึ่งเมื่อจักสุเสื่อมเสียเสื่อมรอบเป็นไปปราดอันตรธานชนทั้งหลายก็เดือดร้อนตาเสื่อมก็เดือดร้อนหูเสื่อมก็เดือดร้อนจมูกเสื่อมก็เดือดร้อนลิ้นเสื่อมก็เดือดร้อนกายเสื่อมก็เดือดร้อนอนะเสียสีเสียเสียงหมดกลิ่นหมดรสหมดโพธภะนะร่างกายในสรีร่เนี่ยสีเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสเปลี่ยนก็เดือดร้อนโพธภะเปลี่ยนก็เดือดร้อน สกุลคณะอาวาสเปลี่ยนกว่าเดือดร้อนลาบยศสันเสริญสุขเปลี่ยนกว่าเดือดร้อนปัจใจศีจีวอนบินธบาเซนาสนาคีลานปั จ, จัยเภสัชบริหารสิ่งเหล่านั้นถ้าเสื่อมไปเสื่อมไปรอบเป็นไปปราดอันตรธานไปชนทั้งหลายก็เดือดร้อนนี่นลองอะไรมั่งเราไม่เดือดร้อนเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเลยนะฮะยากเต็มทีนะเฉพาะสิ่งที่เรารักนะเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายก็เดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายคําว่าเป็นผู้ประมาทนัะนะ คนที่เดือดร้อนในพ่อรูปนนะก็คือเพราะเป็นผู้ประมาทก็คำว่าผู้ประมาทก็คือความปล่อยความเพิ่มความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมนุทุจริตขณะใดที่ปล่อยให้ความชั่วเป็นไปทางกายวาจาจิตขณะนั้นเรียกว่าประมาทหรือปล่อยใจเพลินไปในกายมคุณ5้ารูปสวยๆเสียงพราะๆกลิ่นหอมๆอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทหรือถ้าเจริญกุศลก็ไม่ทําเนืองๆทําหยุดหยุดประพฤติย่อย่อน ลงฉั้นทะทอดธุระไม่ส่องเสพไม่เจริญไม่ทําให้มากไม่ตั้งใจไม่ประกอบเนื่องๆในการเจริญธรรมะทั้งหลายฝ่ายกุศล น, นี้ก็เรียกว่าประมาทความประมาทกิริยาที่ประมาทความเป็นผู้ประมาทเห็นปานนี้ตราเรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยความประมาทคือชนผู้ประมาทเนี่ยนะก็เดือดร้อนในเพาะรูปนะหมกมุ่นในบาปในอกุศลหมกมุ่นอยู่ในกามเพราะฉะนั้นก็เดือดร้อนในเรื่องรูปละ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นโทษในรูปอย่างนี้ก็เป็นพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือทำด้วยความเคารพความทาเนืองๆนี่นะคำว่าไม่ประมาทในหน้า30ก็คือความเป็นผู้ความเป็นผู้ทำด้วยความเต็มใจทำเนืองๆไม่หยุดประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ปลงฉันทะไม่ทอดทุระไม่ประมาทในกุศลธรรม คือความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรชอบความตั้งใจความประกอบเนืองเนืองใดในกุศลธรรมว่าเมื่อไรนะเราจะบำเพ็ญศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือเพึงอนุเคราะห์ศีลขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายพึงบำเพ็ญสมาธิขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์สมาธิขันธ์ที่บริบูรณ์ด้วยปัญญา เมื่อไหรเราจะบำเพ็ญปัญญาขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์ปัญญาขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่ อ, อไหร่จะบำเพ็ญวิมุตติขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์อนุเคราะห์วิมุตติขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่อไร่เราพึงบำเพ็ญวิมุตติญาณทัศนขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์พึงอนุเคราะห์วิมุตติญาณทัศนขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาพันนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมหรือความพอใจความพยายาม ความมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะความให้กิเลสเล่าร้อนความเพียรชอบความตั้งใจความประกอบเนืองเนืองใดในกุศลธรรมว่าเมื like an, ่อใดเนาะเราพึงกําหนดรู้ทุกที่ยังไม่กําหนดรู้ละสมุละกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่ได้ละพึงเจริญมักที่ยังไม่เจริญหรือพึงกระทําให้แจ้งนิโรธที่ยังไม่ทําให้แจ้งความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะ อันนะ่ะดังกล่าวไปทั้งหมดนั้นอะเรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคือปรารบที่จะให้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนคันที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็อนุเคราะห์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญา ณ, ณทัศนะที่ที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์ยิ่งย่งขึ้นไปหรือทํากิจในอริยสัจกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยเจริญมักทํานิโรธให้แจ้งอย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่ประมาท คำว่าผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะก็เห็นรูปก็คือเห็นมหาภูต ร, รูปและรูปอนาศัยมหาภูตคำว่าจงละรูปคำว่าจงละจงละขาดบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งรูปตัดฉั้นทราคาในรูปซะเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปความว่ารูปของท่านพึงดับไปในภพนี่แหละชั้นใดความมีปฏิสนธิอีกก็ไม่พึงเกิดไม่เกิดไม่พึงบังเกิดพร้อมไม่พึงบังเกิดไม่พึงบังเกิดเฉพาะในกาณาปปท า, ารูปประธาตอรูปประธาต์ ถ้าท่านตัดฉันทราคาในรูปก็เพื่อไม่ปฏิสนธิในภพสามในการมาภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญาณสัญญาภพเอกโวการาภพจตุโกราภพปัญจโวการาภพในคติอุบัติปฏิสนธิสงสารวัตะอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพึงดับคือสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในภพนี้แหละฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านจงละฉันทราคะในรูปเสียเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปอ คำว่าสร sure, ุป hmm. ว่าชนทั้งหลายผู้มัวเมาย่อมเดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายเพราะเห็นชนทั้งหลายลำบากอยู่ในเพราะรูปทั้งหลายดูก่อนปิงคียะเพราะเหตุนั ok ้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปเนี่ยนะแม้คือคือปิงคียะเนี่ยเขาเขาเดือดร้อนเรื่องรูปนะอายุมากแล้วนะก็เดือดร้อนเรื่องรูปลำบากเรื่องรูปนั้นคนผู้มัวเมาโม่ผู้ประมาทก็เดือดร้อนอยู่ในรูปนี่แหละเพราะฉะนั้น คนเขาลำบากพ่อรูปท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทละรูปซะเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะท่านพระปิงขคยะฟังแล้วก็ไม่บรรุก็กล่าวต่อไปว่าทิศทั้งหลายทั้ง1ิทิศคือทิศใหญ่4ทิศน้อย4ทิศเบื้องบนเบื้องต่ำพระองค์ไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงได้ยินแล้วไม่ทรงทราบแล้วหรือไม่ทรงรู้แจ้งแล้วอะ่ะแม่หน่อยหนึ่งก็ไม่มีนนะเนี่ยนะทิศทั้ง10ทิศเนี่ยนะพระองค์รู้หมดอะ่ะ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งอันเป็นเหตุละชาติและชราต่อไปเถิดเนี่ยนะไอ้พระองค์เนี่ยบอกธรรมะที่รู้แจ้งแล้วก็บรรลุนิพพานอย่างเดียวฮะคำถามก็ถามประเภทจะขอนิพพานอย่างเดียวทท่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นทิฏทั้งสิบนะทิฏสิบทิฏใหญ่สี่ทิฏน้อย4ทิฏบนทิฏต่ําความว่าทิศหนึ่งคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้า Hmm. ในหน้า380อธิบายถึงประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน ja <Elo. S 1> ์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าประโยชน์ตื่นประโยชน์ลึกประโยชน์เปิดเผยประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ที่ควรแนะนําประโยชน์ที่แนะนําแล้วประโยชน์ไม่มีโทษประโยชน์ไม่มีกิเลสประโยชน์ขาวประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนั้นคือประมาถประโยชน์นะประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยที่พระองค์ไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงได้ยินแล้วไม่ทรงทราบแล้วไม่ทรงรู้แจ้งแล้วอ่ะเพียงน้อยหนึ่งก็ไม่มี อัน น, นย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่ประจักษ์สรุปว่าพราะองค์ไม่ได้ทรงเห็นแล้วไม่ได้ทรงได้ยินแล้วไม่ได้ทรงทราบแล้วไม่ได้ทรงรู้แจ้งแม้เพียงเล็กน้อยไม่ได้มีในโลกเพราะฉะนั้นขอพระองค์จงโปรดตรัสบอกธรรมะ า ง, งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอาาัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นสติประธานสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีย์พระละโภชชงอริยมรคมีองค์8พระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานที่ข่าพระองค์พึงรู้แจ้งคือพึงบรรลุรู้แจ้งแทรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดบรรลุถูกต้องทําให้แจ้งธรรมะที่เป็นเหตุละชาติชารานในที่นี้และที่ละที่สละ คืนที่สงบประงับชรามรณะเป็นอมตะนิพพานในที่นี้สรุปคําถามว่าทิศ ท, ทั้ง10คือทิศใหญ่สทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนและเบื้องต่ําที่พระองค์ไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงได้ยินแล้วไม่ทรงทราบแล้วหรือไม่ทรงรู้แจ้งแล้วเพียงหน่อยหนึ่งไม่ได้มีในโลกขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระองค์พึงรู้แจ้งอันเป็นเหตุละชาติและชราในที่นี้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนปิงเคีย ท่านเห็นอยู่ซึ่งหมู่มนุษย์ผู้ถูกตันหาครอบงำเดือดร้อนอันชราถึงรอบข้างแล้วดูก่อนปิงคียะเพราะเหตุ น, นั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละตันหาเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปครั้งที่แล้วเนี่ยบอกให้ละรูปนะครั้งนี้ก็เห็นไหมคนที่ถูกตันหาครอบงำก็เดือดร้อนในชะชราเนี่ยก็นําชราก็เบียดเบียนเอาเพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะละตันหาซะจะได้ไม่เกิดอีกต่อไปะก็บอกตรงๆเลยนะ โรคปัญหาสัทธาัญหาคันธตัญหารสต์ปัญหาโพธาภะปัญหาธรรมตัญหาเรียกว่าตัญหาคือชนผู้ถูกตัญหาครอบงำก็เดือดร้อนเนี่ยนะผู้ถูกตัญหาครอบงำไปตามตัญหาเล่นไปตามตัญหาจมอยู่ในตัญหาถูกตัญหาครอบงำมีจิตอันตัญหายึดไว้เพราะฉะนั้นจงเห็นพบพิจารณาตรวจพิจารณาเห็นคือเห็นอยู่ซึ่งหมู่มนุษย์ผู้ถูกตัญหาครอบงำ ก็เดือดร้อนนะเนีเพราะเดือดร้อนเพราะเดือดร้อนเพราะชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตทุกในนรกเป็นต้นเนี่ยนะในหน้า16อธิบายไว้อย่างดีที่ท่านภาษาริบุตรนิเทศไว้ว่าทุกในนรกทุกในกําเนิดเตรัจฉานทุกในเปรตทุกในมนุษย์ทุกในการก้าวลงสู่คันทุกในการตั้งอยู่ในคันทุกที่กอด คลอดออกจากคันทุกของสัตว์ผู้ติดตามสัตว์ผู้เกิดมาแล้วทุกเกิดจากความเพียรของตนทุกที่เกิดจากความเพียรของผู้อื่นทุกขทุกสังขารทุกข์วิปริณามทุกโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคมองคลอดฤทธิดวงจมูกร้อนในชราโรคท้องโรคสลบโรงแดงจุกเสียดลงท้องโรคเลือดฝีกลากหืดลมบ้าหมูหิตด้านหิดเปื่อยกุตราชลำลาบเนี่ยนะ ลำลาบคุทธรากใหญ่ระรากเลือดโรคดีโรคเบาหวานฤิศิดวงทวารต่อมบานทโรคอาภาที่มีดีเสมหะลมเป็นสมุทฐานอาภาที่เกิดจากฤดูแปรไปเปลี่ยนอิรยาบทไม่สม่ำเสมอเกิดเพราะความเพียนเกิดเพราะผลของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความประหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกที่เกิดจากเหลือบยองลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานความตายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องพี่น้องหญิงของลูกสาวหรือว่าญาติชิปหายพวกข้าศัพท์เสียหายโรคป่วยพะโรคเสื่อมศีลเสียทิฐิเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าทุกข์ทั้งหลาย น, นะผู้ที่มีความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะถูกตันหาครอบงาก็เดือดร้อนอยู่ในกองทุกข์เหล่านี้นี่แหละ เพราะฉะนั้นอันชราถึงรอบด้านคือผู้ถูกชราถึงรอบด้านประชุมลงไปตามชราก็เล่นไปตามพญาที่ก็ครอบงำมรณะก็ห้ามหันไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีอะไรเป็นสรารนะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไรที่พึ่ ง, อ, งอนาถาจริงๆเนี่ยนะทุกร้อนก็เพราะตันหานั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทคือไม่ประมาทก็พึงเป็นผู้ทําโดยความเคารพทำเนืองๆในกุศลธรรมทั้งหลาย ทำโดยเคารพก็คือตั้งใจไว้นะว่ากูรำมะขันห้าที่ยังไม่เกิดจะต้องให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอนุเคราะห์ทำมะขันห้าที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์จะต้องทํากิจในอริยสัจให้ได้เรียกว่าไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทอย่างนี้ก็จงละตันหาคือจงละละขาดบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งตันหาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าละตันหาเพื่อความไม่เกิดต่อไปนัคือท่าน รูปของท่านพึงดับในภพนี่แหละชั้นใดความมีปฏิสนธิอีกก็ไม่พึงเกิดคือไม่พึงบังเกิดไม่เกิดเพรามไม่บังเกิดไม่บังเกิดเฉพาะในการมาธาตุรูปธ า, าตุและอรูปธาตุไม่พึงบังเกิดในการมาภพรูปภพอรูปภพไม่พึงบังเกิดในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพในเอกโวการภพจตุวการภพปัญ จ, จโวการภพในคติอุบัติปฏิสนธิ ส, สงสารวัตต์ เพราะฉะนั้นชื่อว่าพึงดับสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับดับไปในภพนี้แล้วไม่ต้องมีภพใหม่อีกต่อไปมันสรุปว่าท่านเห็นอยู่ซึ่งหมู่มนุษย์ผู้ถูกตันหาครอบงำเดือดร้อนอันชราถึงรอบข้างแล้วดูก่อนปิงคียะเพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละตันหาเสียเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะตอนแรกเดือดร้อนเพราะรูปมานะเพราะฉะนั้นให้ไม่ประมาทละรูปซะเพื่อความไม่เกิด คาถาที่สองก็แนะนําว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะตันหาก็จงละตันหาเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปเวลาจบพระคาถาธรรมจักรสุอันปราศจากธุลีปราศจากมณทินเกิดขึ้นแกสัตว์ทั้งหลายอันนะแก่สัตว์หลายพัน ท, ทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะที่เป็นมีฉันท์่าอันเดียวกันมีประโยค่าเป็นอันเดียวกันมีความประสงค์เป็นอย่างเดียวกันมีการอบรมวาสนามาเป็นอย่างเดียวกันกับปิงคียะพราม์นั้นเนาะ ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาส่วนปิงคียะพราหมณ์นั้นอะ่ะก็ได้ธรรมจักสุคืออนาคามีมักอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาที่ไม่ได้บรรลุปเป็นพาส ห, หานเนี่ยพราะมัวคิดถึ ง, งแต่ลุง เมื่อคิดถึงแต่ลุงภาวะผวงโอ้ธรรมะดีๆขนาดนี้ลุงเราน่าจะได้ฟังด้วยนะอะไรก็มัวภาะวะผวองก็เลยบรรลุได้แค่เนี้ยในเป็นท่านาคามีมั น, อนะมนพอท่านบรรลุอย่างนั้นหนังเสือชดาผ้ากรองไม้เท้าน้ำเต้าผมและหนวดหายไปพร้อมกับการได้ธรรมาจักสุพระปิงคิยะนั้นเป็นภิกษุผู้ทรงกาสายะเป็นบริขารทรงสังาติบาตและจีวรทาความเคารพด้วยการปฏิบัติไปตามประโยชน์ เกว่กคารยพพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติเนี่ยนะนั่งนามาสการพระพุทธเจ้าประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นภาษาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกชนนี้แหละเนี่ยนะก็เป็นผู้บรรลุแล้วเนี่ยนะ